มนทันเตวิสุวิสุนากานาทานวิสตเ สมาทานศีลวันนี้พวกเราคณะสทาญาติโยมมีจิตมีใจตั้งมั่นผู้ถ่ายรูปมีแฝดงดพอมันสายตาของลูปพ่อไม่ค่อยดีถ้าจะถ่ายไม่มีแฝดนะวันนี้นะว่าเป็นวันลํำลึกถึงพ่อคุณของหลวงปู่ของพวกเราพวกเรามานะ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 อย่างเป็นอย่างน้อยจากนั้นก็ปฏิบัติธรรมทำจิตใจให้สงบอันนี้คือการปฏิบัติบูชาการปฏิบัติบูชาในหลักธรรมคำสอนของพระพุทธศาสน า, าแล้วท่านบอกว่าอาปฏิบัติบูชาเลิศ ก, กว่าอามิจฉบูชาแต่ตามเจริงก็มีทั้งสองอย่างทั้งมีทั้งอามิจบูชาทั้งทำม่ทั้งปฏิบัติบูชาอย่าง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 จากนั้นดุติยามปีข้าพเจ้าขอถึงพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์เป็นครั้งที่สองตาติยามปีพุทธทางธรมังสั ง, ง, สาางขังสรนังคดฉามิข้าพเจ้าขอถึงพระสงฆ์พระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์เป็นครั้งที่สามยืนยันถึงสามครั้งจะ ย, ยึดพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์เป็นสระณะเป็นที่พึ่งจากนั้นก็ปานานพูดเป็นองค์ศิลแ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 ตติยามปีพุทธังสระังคัจฉามิตาติยามปีธรรมังสระนังคัจฉามิตาติยามปีสังขัสระนังามิิีสังขังสระังคัจฉามิสระนาขมานังนิติกัง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 มศาวาาเวรมะีสิกขาปะทางสมาทิยามิาวาธาเวรมะีสิกขาปะทางสัมาทิยามิสุราเมรยมชะปมาทัตานาเวรมะีสิกขาปะทางสัมมาทิยามิ สุตระนีเรียกอจฉมาตตาหานิยรปัญสิกาปัญสมะทียานิ <S <S อิมาเนปัญจสิกาปัญนิสีเลนะสุขติยันติสีเลนะโพกสัมปทา สีเลนาเนผูติยันติตัสมาสีหลังวิโสทย า, ยายพระมากุาิิสหมิปนจรันิรพยาสันินัสสาาิ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 ผ่านความสงบแล้วนำมาพิจารณาเรื่องเราเรื่องนั้นๆจะตัดสินใจได้เด็ดขาดเพราะว่ามันผ่านจิตใจผ่านความสงบแล้วอันนี้คือหลักธรรมคาสอนของพระพุทธเจ้าที่พระพุทธเจ้าจะได้ตัดสรูพระอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาตหรือพ่อแม่ครูบาอาจารย์ของพวกเราก็เช่นเดียวกันท่านต้องทำสมาธิก่อนเมื่อทำทำสมาธิจิตใจในิ่ง เมื่อจิตใจนิ่งแล้วก็นําจิตใจที่ผ่านความสงบผ่านความนิ่งนั้นมาพิจารณาการกล้องไตรตรองเหตุและผลก็รู้แจ้งเห็นจริงในเรื่องนั้นนั้นนี่เราภาวนามายปัญญาปัญญาเกิดจากการภาวนาทําให้จิตใจสงบสก่อนผ่านความสงบสก่อนจึงนะํมามาพิจารณาคือปัญญาของพระพุทธศาสนาเพราะฉะนั้นขอให้คณะสัตยาธิโยมทุกหมู่เหล่าทุกๆ ท, กท่านนะ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 พอพวกเราได้มาสร้างบุญสร้างกุศลกับครูบาอาจารย์ที่เป็นแนวแถวถ้าจะว่าไปาก็คือท่านอยู่แนวแถวของสายหลวงปู่มั่นเพราะนั้นหลวงพ่อเองไปนักสถานที่ใดหลวงพ่อจะแนะนำพี่น้องประชาชนจัทธาาญาติโยมลูกหลานให้เดินตามแนวแถวปฏิปทาของหลวงปู่มั่นหลวงปู่มั่ น, นท่านเออ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 สอนกัสอนผิดผิดถูกถูกเราปกาคงไม่ควรจะทําอย่างนั้นเพราะฉะนั้นเราศึกษามาแนวแถวสายหลวงปู่มั่นเราก็จะพยายามบอกกล่าวแนะนําว่าหลวงปู่มั่นหลวงปู่ต่างๆที่เป็นศิทธญานวิสิทธิท์ของหลวงปู่มั่นท่านปฏิบัติตนดังต่อไปนี้หลวงปู่มั่นท่านสอนยังไงท่านสอนให้มีศีลศีราะจรวัตท่านบอกว่าศีลและวินัยยังมีอยู่ตราบใด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 ยังไม่ยังไม่คลั่คล่ายัางพอใช้ได้อยู่ท่านก็เลยผ่าฝากผ้าไว้กับพี่สาวพี่โยมพี่เก็บผ้านี้ไว้ให้อัตมาด้วยนะถ้าผ้าอัตมาชำรุดแล้วอัตมาจะมารับไปตัดเป็นผ้าจีวร น, นะโยมพี่เก็บไว้ได้ไหมโยมพี่โอได้โยมพี่เขาก็เลยเก็บรักษาไว้ให้น้องชายที่เป็นพระนะต่อมาพระองค์นั้นก็พระติดสารนี่ก็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 ผมได้ผ้ามาแล้วผ้าจีวรผมชำรุจครับขอให้ท่านอาจารย์ประกาศให้พระในกลุ่มของเรามาช่วยตัดเย็บจีวรให้ผมด้วยเทินสมัยก่อนไม่มีจักเย็บผ้าใช่ไหมล่ะแต่ก่อนที่จะเย็บผ้าแต่ละผืนได้ตรงลงแขกกันนะพอองค์ที่ชำนิชำนาญองค์ที่ฉลาดที่ตัดผ้าใดท่าก็ตัดพอตัดแล้วก็แบ่งกันเลยต่างองค์ต่างเย็บลงแขกกันในคณะนะจากนั้นพระ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 คงจะเอาเต็มที่นะนะวันนั้นหงือ น, นันนะพราะอาหารพี่สาวทำมาให้พอฉันอาหารเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ไปย้อมผ้าพอไปย้อมผ้าจีบอลพอย้อ ม, ม่าโอ้สีก็พอดีสีพอเหมาะแล้วก็ขนาดก็พอเหมาะโอ้วันพรุ่งนี้เราจะได้ครองผ้าจีบอผืนนี้แหละตั้งแต่ตัดผ้าจีบอลมาผืนนี้แหละเป็นผืนที่ถูกใจที่สุดอ่าผ้าองอนั้นนะผ่านปิดท่านติดสะนะ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 ถ้าจะเปรียบเทียบกับพวกเราท่านทั้งหลายคนมีเงินมากใช่ไหมล่ะเราจะไปอยู่อังกฤษอเมริกาประเทศทีเ่เจริญเจริญก็ได้แต่ว่าเรามีญาติพี่น้องอยู่เมืองลาวใช่ไหมอยู่เมืองลาวโอ้ยจะไปอยู่อเมริกาอังกฤษก็เจริญก็เจริงอยู่อำหนวยความสะดวกทุกอย่างแต่สู้อยู่เมืองลาวไ ม, นะ permite, ม่ได้เมืองลาวเรามีพี่มีน้องอยู่ที่นี่อบอุ่นกว่าลักษณะอย่างนั้นแหะอันนี้ก็เหมือนกันพระเจ้าพิมพ์พิสารท่านก็เลยมาอยู่ชั้นสวรรค์ชั้นจาตุมะ เพราะนั้นขอให้พวกเราคณะทัดไายญาติโยมลูกหลานทุกคนนะหลวงพ่อเองเน้นหนักเรื่องของสินสินสำหรับกราวาสก็คือสินห้าอย่างที่หลวงพ่ออธิบายาสินของพระสงฆ์ก็คือสิน227ีถ้าผู้เป็นผู้มีสินแล้วจะต้องเป็นผู้มีธรรมถ้าว่าขาดสินแล้วจะขาดธรรมถ้าเป็นผู้มีสินแล้วจ ะ, จะเจริญรุ่งเรืองในธรรมเพราะนั้นศิน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 แต่ละวีแต่ละวันพวกเราใครไม่ได้นับเลขแต่ละวันคงไม่มีเ่ยอย่างน้อยก็ควักกระเป๋าออกมานับเงินซื้อสินค้าใช่ไหมไอ้เนี้เราก่อนนับดูสิหายใจเข้านับหนึ่งหายใจออกนับสองหายใจเข้านับสามสี่ห้าห ก, หกดแดเสบถึงรอ้อพอถึงร้อยกลับมาอกีกนับหนึ่งอีกถึงร้อยไม่เผล